พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่ส0โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5ทธันวาคม2559นมีชื่อเรื่องว่าบอกตัวเองไว้ว่าเราต้องไปเหมือนกันเอาต่อนนี้ไปตั้งใจฟัง ถือว่าเป็นหลวงพ่อกันแล้วกันนะคณะสาสัตยาธิโยมลูกหลานทุกคนพอหลวงพ่อเนียอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วเพราะนั้นถือว่าเป็นหลวงหลวงพ่อจะมองมองด้วยมองมองเนี่ยค ง, มงมไม่มีผู้ใดที่อายุมากกว่าหลวงพ่อเออฮะ <c oughs> มีคนเดียวเหรอนนะะโอ้อันนั้นเรียกว่าเป็นเป็นโยมพี่หลวงพ่อกันแล้วกัน วันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อเองจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาหรือว่าสังเวนิยกถาทั้งสองกล่าวคือสัมโม ท, น, ทนิยกทนิยกขาคือเกี่ยวกับพวกเราได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่ว่าสัมโมทนิยกถาสังเวนิยกถา พวกเราจะได้ฟังเกี่ยวกับความสลดสังเวทใจที่พวกเราได้ประสบอยู่ขณะนี้ในช่วงนี้เพราะนั้นอาจามาภาพเองถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งวันเป็นวันมงคลที่ในงานได้จัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีคณะสงฆ์ที่มาร่วมในงานในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวัน มงคลมหามงคลวันหนึ่งในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุคืออัติธาตุหรือพระธาตุกระดูกแล้วถ้าพูดภาษาพื้นเมืองพื้นบ้านว่ากระดูกแต่ถ้าว่าท่านว่ายกว่าเป็นพระธาตุคือผิดธรรมดาคือกระดูกของพระพุทธเจ้าและอัติธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเม็ดมีมากหลากหลายอย่าง พวกเราได้บรรจุ ข, ขึ้นบนพระเจดีเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตตระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นท่านเป็นชื่อยำพูในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลที่สมควรอยู่ในพระเจดีหรือว่าประดิสถานะทางสีแพ่งเพื่อให้คน ได้กราบเคารพสักการะบูชามีอยู่สีท่านคือพระพุทธเจ้าพระปัิเจกพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้าจักรพรรดิทั้งสีท่านสมขวรยิ่งที่จะมร่จุในพระบรมในพระเจดีย์ในทางสีแป้งและจตฐานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือจตฐานที่เคารพสักการะบูชาของมวลมนุษยชาติวันนั้นพวกเราวันนี้ก็ได้มาร่วมมารวมกัน คุณโยมได้บรรจุพระบรมสารีลขธิกธาและก็วันนี้พวกเราได้มาด้วยกันที่บ้านของหม่อมหลวงสรารีกิติยกรพระนิธิถาในพระองค์เจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัด ที่นัตา ม, มาดได้กำหนดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็พร้อมกันเป็นการบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าจุงหัวผู้มีพลอรุญญยาเดชแล ะ, ะได้ทำบุญอุทิศถวายต่อพระบิดาคือหม่อมระชวงอดอุลรกิตกิติยากรณนะบ้าน หม่อมหลวงสรารีกิตยากรในเขตพระราชฐานวังเทเวศแห่งนี้เพราะนั้นวันนี้พวกเราอันดับแรกก็ได้บรรจุพอระบรมสารีริกธาตาุที่สองก็ได้ทาบุญถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เป็นวันที่5ถ้าทุกปีที่ผ่านมาวันที่5นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติที่พวกเราได้พวกเรา ทุกคนพระสรงทีกิกรทั่วประเทศไทยก็ทำจัดพิธีกรรมพิธีการแต่ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้สวรรคารายไปเมื่อวันที่13ตุลาอา่าก็เมื่อวานวันที่2เมื่อวันที่2ก็ครบ50วันอพอดีนึกว่าทำบุญ50ตามประเพณีทางพระพุทธศาสน า, าแต่วันนี้ก็50กว่าวันเข้ามาแล้ว แต่พวกเราก็ยังน้อมลำลึกถึงพระคุณของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นพ่อแห่งชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในออกในสื่อต่างๆทั่วประเทศแต่พวกเราจะทำยังไงได้อันนี้คือกฎ น, นิจังทุกขังอนณตาตามหลักพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเพราะพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้แจ้งโลก เป็นผู้เหาะเหินเดินฟ้าได้ด ำ, ดำดินบินบนได้เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แต่ขนาดนั้น <c oughs> พระองค์ก็ยังทรงพระชนอยู่อายุเพียง80พระผพรรษาก็เข้าสู่ปรินิพานจากนั้นก็มีพระสาวกทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า <c oughs> ต่างองค์ก็ต่างเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆ <c oughs> จนมาถึงยุคปัจจุบันถ้าพวกเราจะเสียใจหรว่าเสียอกเสียใจก็เท่านั้นเหมือนกับแม่น้า น้ำแม่ปิงมันไหลลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่มันก็ไหลลงมาเรื่อยๆลงแม่น้ำเจ้าพยาจากนั้นก่อนแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยาก็ไหลลงไปตกแม่น้ำทะเล เ, เราจะร้องหยงร้องไห้กับแม่น้ำที่มันไหลลงมาจากข้างบนจนถึงแม่น้ำเจ้าพยาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าเราต้องปรองใจเท่านั้นเองอันนี้คือธรรมชาติการเกิดมาแล้วก็เก่เจ็บตายในที่สุด แต่ข้อสําคัญยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านสอนอย่างไรอันนี้ให้โอภัยณียโกให้มองตอนเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสอนอะไรให้ประสบในกรรของท่านให้เป็นผู้มีความให้ใช้ปัญญาทุกด้า น, นการทํามาหาเลี้ยงชีพให้หมันขยันอดทนและก็พร้อมการให้รู้จักเก็บหอมรอมทิพย์รอมร็บ เศรษฐกิจพอเพียงประองค์ตรัสไว้อยู่เสมอได้ยินมาไม่รู้กับ น, นานเท่านานเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้เหมือนกับพวกเราอยู่ณสถานที่ไหนที่ใดผู้มีอันตรกินก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่อยู่ในระหว่างกลางก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขว่าการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องให้รู้จักบริหารจัดการ กับทรัพสมบัติที่องค์ติดตนเองได้มาอย่าใช้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปโยจนอย่าประจัจจ์จงไม่รู้จักใช้ขี้เหนียวจนเกินไปอันนั้นก็ไม่ถูกเพราะน่านท่านรู้จักว่าเศรษฐกิจพอเพียงดูแลพี่น้องลูกหลานวงสาคณาญาติญาติมิตรสหายแล้วก็เห็นรู้จักการเก็บหอมลอมเล็บไม่ให้เป็นหนี้เป็นสิน แล้วก็มาให้ไซ้สรุปชุ่วไล่แล้วก็ให้รู้จักการวางตัวสรุปแล้วคือพระองค์ท่านให้ใช้ปัญญาทั้งหมดสรุปแล้วเพราะนั้นพวกเราจุดไหนบ้างที่ขาดตกบกพร่องก็ให้นบ่งูตัวเองในหละจุดนี่แหละสำคัญไม่ต้องเสียใจหรอกร้อ ง, อ ง, องห่มร้องไห้กับเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะเดินตามหลังท่านไปเรื่อยจะร้องไห้ถึงใคร ตัวของเราก็เองก็จะต้องไปตามนั้นไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้อันนี้พวกเราต้องชกคิดกลับมามองตนเองเอปู่ย่าตายายของเราไปไหนผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเรานะ่ไปไหนและพวกเราล่ะจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องไปตามอย่างที่ได้พูดเพราะนั้นให้พวกเราให้น้อมจิตไว้อยู่เสมอว่า ขยวัวยธรรมมาสังฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านสั่งเสียไว้ก่อนที่จะปรินิพานในคืนวันนั้นท่านว่าขยวัวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละไม่เทียเย่ยงขยวยธรรมมาสังฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนนี่แหละให้มองตัวเองเราอยู่ในสถานะไหนเมื่อเราเป็นพ่อก็ทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดดูแลครอบครัวดูแลบ้านดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นแม่ก็ทำให้เป็นหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นลูกเราก็ทำห น, าน้าที่หน้าที่ลูกให้ดีที่สุด ในเมื่อเป็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเขาพยายามทําหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดในเมื่อเป็นศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาก็ทําตนให้เป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ดีที่สุดใครอยู่ในสถานะไหนให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในสถานะนั้นๆอันนี้แหละคือหน้าที่ของพวกเราทุกท่านให้มองตอนเองเนี่ยแหละอันนี้คือประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่าน เ, าเราก็ได้มองดู อย่างที่มอมสรารีเนี่ยที่ท่านได้บรรจพพรมสารีพิฆาตด้วยทุนทรัพย์ของพระ อ, องค์องค์ท่านไห้บรรจุขึ้นมาแล้วก็ น, นี่นะให้เป็นที่กราบไหว้ของมนุษย์มวลมนุษยชาติให้เป็นที่กราบไวาหบไว้ของเทวดาที่เรามองไม่เห็นเทวดาก็เคารพประพฤติเจ้าเหมือนกันที่กราบไหว้ในพ่อพรมสารีพิกฆาตเนี่ยประโยชน์ท่านจะพอจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคม ที่ไหนน้าท่วมที่ไหนไฟแล้งที่ไหนมีอุปสรรคในประเทศชาติบ้านเมืองไม่ว่าแต่ประเทศชาติแต่นอกนอกประเทศของเราพวกเราก็ยังได้ช่วยเหลือที่ประเทศไหนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากอันนี้คือประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือเป็นหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะให้พวกเรารู้จัก การวางตัวให้กัรู้จักการพิจารณาใช้ปัญญาเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่เรื่องกระเทือนกระเทือนกระเทือนอย่างมากในประเทศชาติแต่เราจะไปซึมเศร้าจะไปทอ ก, กับพระ อ, องค์อันนั้นไม่น่าจะถูกทีเดียวแต่เมื่อเขาสลดสังเวชใจเ็าต้องสลดสังเวชใจ แต่พวกเราเป็นชาวพุทธพทธศาสนิกชนควรจะสํานึกในพระธรรมคําสอนของพุทธะท่ว่าอนิจังคือของไม่เที่ยงเกิดมาและแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นไปได้อนิจังทุกขังก็คือเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามสภาพที่พระพุทธเจ้าของเราบรมครูของพวกเราที่ท่านหนีออกไปบวชจากเวียงวังท่านเห็นอะไร ท่านจะสดสังเวทท่านไม่รู้จักหรือความสุข เ, เมื่อพระ อ, องค์อยู่ในเวียงวังพระ อ, องค์ก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายารักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องวกรักวงสาคานายักรักสามีภรรย า, ารักทุกคนในในพระบรมมหาราชวังของอท่านาสิทธัตถะแต่พระ อ, องค์ทำไมจึงได้หนีเพราะพระ อ, องค์ไปเห็นคนแก่ที่แรกนะ ไปเห็นคนแก่แต่ก่อนทําไมไม่เห็นคนแก่เพราะว่าพระเจ้าสุดโทนะเมื่อสิทธิัศนะเกิดขึ้นมาใหม่ประสูติขึ้นมาใหม่พรามหมณ์้วลือศรอสีสมัยนะั้นที่เป็นฤือีตาทิพย์หรือลือศรีที่เป็นต้นตระกูลมาทํานายว่าถ้าหากว่าอยู่เป็นคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในแผ่นดิน ถ้าฮวาออกบวชจะได้เป็นศาสนาต้นศาสนาต้นศ า, นานสานาหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือฤาษีสีพรายตลอดถึงพรามปโปรหิตตาจานสมัยนั้นมาทานายทายทักปุริสาลักษณะหรือว่าดูหัวเห้งของท่านสิท ธ, ธะในขณะที่แบะเบาเกิดมาได้เจ็ดวันประสูตมาได้เจ็ดวันจากนั้น พระเจ้าสุโฑธนะจึงประครบประงมเหมือนไข่ในหินหรือว่าไม่ให้มีอะไรอยากจะให้ลูกชายเนี่ยพระเจ้าคือศิทธะฐานเนี่ยครองราชไม่อยากจะให้เป็นนักพลดนักบวชพอนักพลดตังบวชสมัยนั้นก็มีมากผู้ไว้ผมยาวก็มีหนวดยาวก็มีไม่ใส่เสื้อผ้าก็มี มีมากมายในยุคสมัยนะั้นสมัยนี้ก็เถอะก็ยังมีอยู่แต่พระเจ้าชุตโตธนภิราตบิดาไม่อยากจะให้เป็นลูกเป็นลูกชายเนี่เป็นเออเป็นทักพจนบวชอยากจะให้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์เอ่อถึงจะเป็นหนุ่มเออถึงเป็นเด็กขึ้นมาก็ตามเป็นหนุ่มวงต้องดูแลประครบประงมจะไปนสถานที่ใดเออถ้าทุกวันเนี่ยคงจะมีสแลน ล้อมเป็นทางไปแล้วก็ปรับปรับดอกไม้ของหอมให้เห็นแต่ของสีวิไลของสวยงามจะไม่เห็นของที่ไม่พึงปรารถนาไม่อยากไม่เห็นสิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่สวยงามจากนั้นสิทธาคก็คองราชขึ้นมาจนอายุถึงยี่สิบ้าปีพอถึงยี่สิบเกปีแล้วก็เมื่ออายุสิสิบปี ก็ได้เข้าสู่มงคลสมรสกับนางพิมพายะโสธราจากนั้นก็ครองชีวิต ค, คู่มาตลอดจนถึงอายุ29ปีนางพิมพายาโสธราท่านก็ทรงคันแกเน่เลยจะคลอดพระโอรสแล้วนะตอนนี้พระบิดาก็คงจะอยู่ละมัง้งคงจะอยู่ได้ละคราวนีท่านพระองค์ก็ปล่อยลามือเค่ายใๆให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ไอ้สิ่งที่ประครบประงมที่ว่าสิ่งที่ประคับประคองสิ่งไม่ให้เห็นของที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามแนี่ก็ลาล า, ลามือออกเรื่อยๆจนสนที่สูตรก็นเนี่ยท่านก็พระพุทธิ ธ, ธัสเสด็จไปไปชมสวนอุทยานไปเห็นคนแกนะ่พอไปเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นมาก่อนอายุถึง29ปีไม่เคยเห็นคนแก่เนะพราะแต่ก่อนท่านก็ปิดเอาไว้ให้เห็นแต่ของสวยงามอย่างที่ว่า จากนั้นชิตศิทธาไปเห็นคนแก่ก็ถามในชนะคือคนขับรถในสารถีคนขับรถมา้าชนะอะอันนั้นคืออะไรทำไมเหมือนมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์อันนั้นคนแก่พระเจ้าค่าผมขาวฟันหลุดหลังค่อมหนังเหี่ยวถือไม้เท้า เค้เห็นแล้วโอ้จะหาความสุขได้เราจะแก่ไหมนี่ทิฏฐะถ้าพระ อ, องค์ไม่สวรรคตง่ายก็แก่อย่างนี้เหมือนกันพระเจ้าข่าไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปในความแก่นี่น่ะท่านเกิดความสลดสังเวชใจไม่เฉ็จไปข้างหน้ากลับเวียงวงังไปคุ้นคิดหาวิธีการจะทำยังไงจึงจะไม่แก่พอถึงปอต่อมาอีกพักช่วระยะหนึ่งก็เดินไปอีก ออกไปเสด็จไปอีกเพื่อไปชมสวนอีกอย่างเก่านะ่ะไปเห็นคนเจ็บชักดิ้นชักงออยู่ที่เปเพราะคนประเทศอินเดียเขาหามคนเจ็บเนี่ยเขาหามอยู่ในเปท่านว่าแั้วคนเป็นอะไรคนเจ็บคนไข้พระเจ้าข่าทําไมเขายังเจ็บยังไข้โอ้ทุกคนมีโอกาสถ้าว่าอีกสักวันหนึ่งไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่วันใดก็ต้องวันวันหนึ่งต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้พระเจ้าข่า เรามีโอกาสไหมเหมือนกันพระเจ้าค่ะโอ้จะหาความสุขได้อย่างไรในพระองค์ก็น้นอมเข้ามาหาตัวเองอีกก็ไม่สเสด็จไปข้างหน้าอีกสเสด็จกลับเวียงวังอีกพอครั้งที่ 3, สาเสด็จไปอีกคราวนี้ไปเห็นคนตายใส่เปหามมาต่อหน้าพระพักเขาเขาหามไปนี่แหละไปหามไปทิ้งป่าช้าคือประเทศอินเดียเมื่อเห็นเมื่อคนตายแล้วเขาเอาผ้าขาวพันแล้วก็ใส่อ ขานแล้วก็หามไปไปถึงป่าชา้าเขาไปโยนทิ้งเขาไม่ได้เผาไม่ได้ฝังให้เป็นอาหารของหมาจอกหมาในอีแรงอีกาในในป่าชา้าผีดิบอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของเมืองอินเดียพระองค์ก็ไปเห็นอันนั้นคืออะไรชิตช น, นะอั น, นั้นคือคนตายพระเจ้าข่าก็ท่้นก็สลดสังเวชใจอีกทุกคนต้องตายอย่างนั้นพระองค์เสด็จกลับถึงสมครั้งจากนั้นพระองค์เสด็จไปครั้งที่ส จะเ ด, ดไปอีกเขานั้นไปเห็นสมณะคือนักพลดนักบวชนั่งอยู่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธิทําตัวให้ตรงอยู่ตามลําพังจุดนั่งอยู่คนเดียวตามลําพังทําทําตาสํารวมท่านก็ถามว่าอันนั้นคืออะไรท่านชันนะอันนั้นคือสมณะคือนักพรดนักบวชทีเ่เขามานั่งคุ้นคิดหาวิธีการของเขาสักอย่างหนึ่งของเขาในใจของเขา นี่แหละเขานั่งคิดตามลำพังท่านก็เออถ้าว่าเราออกมาคุ้นคิดอย่างนี้อย่างสมณนท่านนี้เราคงจะมีทางออกในชีวิตของเราถ้าเราอยู่ในในบ้านในเมืองของเราเนี่ย เ, ออเราคงจะหาทางออกไปได้เพราะมีมีธุระภารกิจเยอะเหลือเกินออที่เราจะต้องคิดต้องทำแต่ละวันถ้าเรามานั่งคิดอย่างคนเดียวอย่างสมณนท่านนีออ้คงจะมีช่องทางน อันนี้นคือท่านเห็นจำ ม, มณะคือนักพรตนักบวชจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปชมสวนอุทยานกลับมาแล้วคือเห็นนางพิมพ์ผายเยโสธราอขอดอพระโอรสคือพระราหุลจากนั้นพระองค์ก็ทางว่าเราอยู่ต่อไปคงจะเป็นเรื่องผูกเครื่องผูกพันสําหรับเราท่านจึงเลยเสด็จหนีออกไปบวชสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาที่ได้พูดให้ฟังเบื้องต้นว่า พระโพธิองค์เห็นอันนี้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นส ม, มณะนี้ก็เหมือนกันพวกเราพวกเราทุกๆกท่านถ้าเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นหรือบันพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราน้อมเข้ามาหาตนเองว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องอไปอย่างบรรพบุรุษของพวกเราแต่เอาเถอะก่อนที่พวกเราจะไปนะั้นอ่ะ เรามีคุณงามความดีอะไรติดใจไหมให้มองตนเองเพราะว่าในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจา้าด้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกพระพธองค์พอนั่งสมาธิในวันคืนพระองค์ได้ตัดสรุปวันคืนเดือนหกเพจนั้นท่านบอกว่าปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทุนหลังได้ถ้าพระพุทองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระองค์จะคงจะระลึกชาตถิถึงชาติทุนหลังไม่ได้ อันนี้ท่านระลึกชาติทุนหลังได้เพราะว่าปุเพนีิว่าสารุจิติยาระลึกชาติทุนหลังนี้ก็เหมือนกันพวกเราเกิดมาแล้วเกิดเกิดมาแล้วตายตายแล้วเกิดอีกอแต่ว่าเมื่อเราตายล อ, อไปแล้วอออย่างพระบาทท่านหลวพระเจ้าอยู่หัวที่สั้นฉวัดคาลายไปพระองค์ทําแต่คุณงามความดีพวกเราเห็นคุณงามความดีของพระองค์มากมายแต่นั้นความดีของพรนะองค์นั้น่ะ จะเป็นเพื่อนสองในเมื่อพระองค์สวรรคารายความดีของพระองค์จะเป็นเพื่อนสองจะพาพระองค์ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าชั้นผมชั้นไหนก็ได้ไว้ไหลยเพราะความดีของพระองค์แต่ถ้าว่าผู้ใดทำกรรมชั่วทำกรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีนะ่าจะเป็นเพื่อนสองของเราอีกจะพาไปตกนรกจะพามาเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานมาเป็นมนุษย์บ้าใบเสียจิต พิโกงพิการไปได้ทั้งนั้นอันนั้นคือบาปากุศลพาไปถ้ากุศลพาไปจะไปสิ่งที่ดีที่เป็นที่พึงปรารถนาเพราะนั้นขอให้พวกเราน้อมมาหาตัวเองว่าข้าพเจ้ามีดีพอหรือยังหรือมีแต่ความไม่ดีเออพราะนั้นให้พวกเรามองตัวเองในเมื่อสิ่งที่มันมันสิ่งที่ดียังขาดตกบกพร่องยังเบาบางอยู่พวกเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดี เพื่อนที่ดีของเราคือบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองอแล้วก็เพื่อนที่เลวก็คือเพื่อนชั่วที่สิ่งที่มันชั่วนะ่าจะตามสนองเร า, เ, าเหมือนกับเร า, เ อ, าอยู่ดีๆนะเร า, เามีเงินคำซ้ำสมสบัติคือเงินคำซ้ำสมสบัติสมบัตินั่นแหละเป็นเครื่องหนุนเร า, เาถ้าเราทำกรรมชั่วโทษที่เราทำกรรมชั่วนะจะพาเข้าคุกเข้าตาราง มันดีมันโลกมันมีอยู่2 อ, อย่างนี้แหละคณะทศไทยญาติโยมทุกๆ ท, ท่านแล้วก็ขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่คุณพ่อเนรพ์ท่านหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรที่เป็นพระบิดาท่านก่อสั่งสอนลูกของท่านจนถึงขนาดนี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้น้อม ทำคำสอนของพุท ธ, ธะน้อมทำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกระจกเงาให้กับพวกเราทั้งเราท่าน ท, ท, ทั้งหลายเป็นทางเดินสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีให้คิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราคิดทำพูดในสิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวความชั่วจะไม่เข้ามาหาเราแต่เรามีแต่ คิดแต่สิ่งที่มันไม่ดีความไม่ดีนะจะเข้ามาหาเรามีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจ อ, อ, อยู่ในสถานที่ใดก็ทุกข์ระทมในจิตในใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดไม่ต้องคิดคิดแต่ทําดีอะไรจะเกิดมันต้องเกิดขึ้น อ, อ, อะไรจะไม่เกิดมันต้องไม่เกิดเออพอเราจะทําแต่ทําดีเท่านั้นเมื่อทำเมื่อทำแต่กรรมดีละกรรมดีจะสนองเราพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญการกล่าวสัมโมทนาจกถา หรือสังเวทนิยตคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่พวกเรารักเคารพนับถือเริ่มใสขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญ